เพาะ้นคนที่มาถือศีลนี่หรือคนที่มาปฏิบัติธรรมเหมือนพวกคุณในที่เนี้ยวันเนี้ยเห็นหน้ากันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ร้อยกว่าคนสองร้อยคนเอานะตีให้สักเท่านี้นี่พวกคุณก็ใจตรงกันนี่ต้องถือว่าใจตรงกันเออพวกคุณนัดหมายกันมาป่าวเนี่ยต่างคนต่างมาใช่ไหมบางคนเพื่อนกันอาจจะนัดกันมาแต่ส่วนใหญ่ก็ ต่างที่ต่างถิ่นมากันอย่างนี้ถือว่ามีมใจตรงกันแลละเออก็ไม่รู้แหละ ว, วันนี้ท่านจะมีเทพก่อนฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่อยากจะมาทำบุญเห็นไหมนะาใจาอย่างแรกอยากจะมาทำบุญอยากจะมาใส่บาตรพระหรือว่าอยากจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือบางคนอาจจะอยากมานั่งเย็นเย็นดีที่สันติอโศก <c oughs> รมดีเหลือเกินอย่างนี้ก็หมายถึงว่าใจตรงกัน นะไม่ได้นัดหมายกันอแต่ของเราก็อาจจะแล้วแต่เหตุผลใช่ไหมอ่แต่อย่างของพระอาหารหันต์ทั้ง1250รหรูปนี่ท่านตรงกันที่ท่านจะมาเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะหนึ่งก็คือมากราบไหว้เคารพครูบาอาจารย์อนะสองก็คือนั่นแหละเผื่อว่าท่านจะเทศท่านจะสอนท่านจะให้แง่คิดหรือแสดงทำอะไรให้ฟังอนะอย่างเงี้ย สามก็คือเป็นความกระตันยูก็เไป็น <c oughs> ความกรตันยูใช่ไหมที่จะแบบว่าแบบว่าเออก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรบุงคุณผู้เจ้าเจ้ามาอย่างน้อยก็มาแสดงความเคารพก็เป็นการอะไรยกย่องเป็นการมาเยี่ยมเยียนเป็นการมาให้เกียรติแก่ผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยเห็นไหราะนนี้ทั้งอรหันต์ทั้งหมดนี่ก็เลยมาได้ 1250รูปเสร็จแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือทั้งหมดเนี่ยทุกรูปเป็นพระอาหารหันต์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองเราเรียกว่าเอหิพิกุอุปสัมปทาหรือถ้าพูดเป็นพระก็พระรุ่นหนึ่งพระรุ่นหนึ่งคือรุ่นที่พระเจ้าบวชให้เพราะจะมีหลายรุ่นนะพระที่บวชจะมีหลายรุ่น คือรุ่นหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วจะมีรุ่นต่อๆมามาจําได้ไม่หมดนะรุ่นต่อๆมาเนี่ยก็อาจจะใช้หมูออ่อะไรให้มาถือรัตน์ไตอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไตสนานาคมนะให้ให้มาถืออย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าบวชหรือว่าตาหลังก็เอามาเข้าหมู่สง เรียกว่ายติจตุทกรรมเนี่ยให้หมู่สงฆ์เนี่ยเป็นผู้บวชให้เนี่ยก็มีรุ่นสองรุ่นสามรุ่นอะไรพวกนี้ไปแต่วันมาคานี่คือพระรุ่นแรกเท้านั้นเลยรุ่นหนึ่งการบวชของพระเจ้าที่บวชให้ไม่ต้องมีพิธีกรรมไม่ต้องมีพิธีการบวชยังเรียบง่ายการบวชรุ่นหนึ่งนี่คือ ผู้นั้นพอมาขอบวชกับผู้เจ้าผเจ้าท่านจะตัดว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดแค่นี้ประโยคสั้นๆถือว่าเรียบร้อยละได้บวชละเสร็จเรียบร้อยใชนะ่แล้วก็ไปปงผมไปเปลี่ยนชุดถือบาทได้เลยเรียบร้อยเลยการ น, นี้แค่นี้เองสั้นๆวันพระรุ่นหนึ่งนี่ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องเสียงเงินทองมากมายไม่ต้องมาแห่หน้าแห่อะไรต่ออะไรนะประหยัดเงินทองประหยัดข้าวของออประหยัดทุกอย่างแล้วรุ่นหนึ่งนี่ส่วนใหญ่ก็โอ้โหได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ตั้งมากเลยนะวันเนี่ยพวกที่มาทั้งหมดเนี่ยพูดง่ายพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยปากของตัวเองสำนวนทั่วไปก็ต้องบอกบอกว่าบวช ด, ด้วยมือของตัวเอง แต่อันนี้ท่านแค่เอ่ยปากเพอนั้นเองเอ่ยปากปั้บเป็นพระ เ, เป็นภิกษุเลยทันทีวัลนี่นี่นี่คือความสําคัญของวันนี้นะที่เรียกว่าโอ้เป็นพระรุ่นหนึ่งทั้งนั้นนะส่วนอันนี้สิ่งสําคัญอันดับสุดท้ายซึ่งถือว่าสําคัญมากนะคือเป็นการที่ท่านแสดงโอวาทพระปฏิโมนะ วันเนียันเนียภิกษุก่อนจ ะ, ะสมณะเราก่อนที่จะมาเทศของฉันเนี่ยก็ต้องเข้าโบทถกันก่อนแล้วเข้าโบทก็ไปฟังปฏิโมสิ่งที่สำคัญสามข้อใหญ่ๆนะมีมีมากกว่านี้แต่ว่าสามข้อใหญ่ๆที่สำคัญก็คือหนึ่งะะคือไม่ทำบาปทั้งปวง สัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปหรือการไม่ทำชั่วอะไรๆที่เรารู้ว่าเป็นบาปเป็นความผิดเป็นความเลวเป็นความชั่วไม่ทำทั้งสิ้นราะจริงๆมีอยู่สองประเด็นขอฝากไว้ข้อที่หนึ่งก็คือว่าบาปใหม่อย่าเอาเข้าข้อที่สองก็คือบาปเก่าเอาออกไป <c oughs> จำไว้สองข้อเนี่ยเนี่ เนี่ยในในหัวข้อใหญ่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคือไม่ทำบาปทั้งปวงบาปใหม่ไม่เอาเข้าอย่างเช่นเว็บโปโปเพลงโอ้เพลงอะไรลามกเพลงห ย, ยาบๆยาเพลงไม่ดีอะไรต่างๆนะหรือว่าหนังโอ้หนังหนังเร็วๆไล่ๆไม่ดีเนี่ยใหม่ๆเนี่ย หมายถึงของใหม่เนี่ยที่เรายังไม่ได้ดูยังไม่ได้มียังไม่ได้ไปเป็นเงี้ยอย่าเอาเข้ามาว่าบาปชั่วอย่างแรกคืออย่าเอาเข้ามาหรือบางทีของกินก็ได้ของกินอาหารการกินเนี่ยที่เราโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยนะอันนี้มีพิษมีภัยคุณจะเอามากินทําไมล่ะบางทีก็รู้อยู่ว่าโหนี่มันใส่น้ําตาลมากเกินไปหวานจัดเกินไปอันนี้มันเค็มเกินไปอันนี้มันเผ็ดเกินไป กินไปแล้วก็ทําลายสุขภาพร่างกายเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะไม่ดีแล้วจะเอามาใส่ตัวเราทำไมอ่าบางคนอาจจะเคยกินมาแล้วอ่ะแต่นับแต่นี้ไปเนี่ยเนี่ยบาปใหม่ๆนี่เราไม่เอาหรือแม้แต่เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เห็นไหมโอ้โหลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไอเกลเอลต่ําอ่ะจริงๆมันต่ํากว่าเอลจะไม่รู้ทําไมเขาเรียกกางเกงใช่ไหมเอลมันต่ํา จริงมันไม่มันไม่จะอยู่ที่เอลแล้วเองเกงมันต่ำกว่าเอลโอ้โหน่าน่าเกลียดมากๆนะทางอเมริกาเขาก็พยายามจะต่อต้านแต่ก็ไม่สำเร็จนะรู้สึกว่าไม่สำเร็จเนี่ยก็บางทีเนี่ยพวกดาราพวกนักสแสดงพวกอะไรเนี่ยโอ้โ oh หก็ใส่มาออก TV, ทวีวีโทรทัศน์น่าเกลียดมากๆทั้งงที่เป็นอัตมาถือว่าเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองพุทธ หรือแม้จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอยูอ่ศาสนาต่างๆเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแหอะมาแต่งโตโปเปือป่อยๆล่อๆแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกศาสนาเขาก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นอ่ะยิ่งอิสลามยิ่งมุสลิมเขาอะไรโอ้โหเขาคุมมิดเลยเหลือแต่ลูกกระตาโผล่มาทั้งนั้นใช่ไหมเ <oro> พราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรารู้แล้วว่าไม่ดีเลวเลวแล้วจะไปนุ่งไปใส่มันทําไมอ่ะ ใครเขาอยากจะใส่ก็เขาใส่ไปนะเขาก็นะ่ะเขาจะทําชั่วทั้งปวงก็เรื่องของเขาแต่เราเองเนี่ยยิ่งเราศึกษ า, าศาสนาพุทธมาผู้จ่าท่านกรสอนมาเนี่ยท่านให้โอวาทมาก็บาปเลวชั่วอะไรต่างๆทั้งปวงอย่าไปทําเพราะารู้ว่าไอ้เอองเกงที่มันใส่แล้วเอวหน้าเกลียดอย่างเงี้ยก็อย่าไปทําเลยอย่าไปใส่จริงๆมีนะบางคนมันมีมานานแล้วแหะเองเกงเอวต่ําเนี่ยแต่เขาก็ต่ำแค่นิดหน่อยใช่ไหม ก็ดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ไอ้ น, นี่มันต่ําไปนู่นเนี่ยมันจะหลุดแลไม่หลุดแลอยู่แล้วบางทีเดินไปหน่อยก็จะหลุดอยู่แล้วต้องคอยเอามือจับขยับขยับอาตมาก็โอ้โหถ้าใช้สำนวนชาวโลกหน่อยก็แหมดูทุเลกลูกกตาจังเลย <c oughs> <c oughs> ก็ยังใส่อยู่อย่างนั้นเนี่ยเอ๊มันสวยงามตรงไหนไม่เห็นมันสวยงามตรงไหนเลยอะถ้าพูดถึงความสุนทรีย์นะพูดถึงความสวยงามแบบโลกโลกเขาก็ ดูก็น่าเกลียด ไ, ไม่เห็นมันจะน่าสวยงามอะไรเลยอันเนี้ยเราก็รู้เราก็เห็นอยู่เพราะนั้นอย่างเงี้ยเราก็อุย้ยมันชั่วมันเลวมันหยาบอย่างเนี้ยอย่าไปทําไปทําตามเขาทําไมอ่าะหลังเขาจะทํากันก็เรื่องของเขาอันเนี้ยต้นตารับมันก็มาจากพวกฝรั่งนั่นแหล ะ, ละวันอันเนี้ยนะข้อที่หนึ่งนะฝากไว้แม้แต่นั่นแหละบอกแล้วแม้แต่แฟชั่นดูหนังดูละครฟังเพลง อะไรต่างๆที่เลวๆได้ร้ายต่างๆเนี่ยที่เรารู้ว่าของใหม่เนี่ยแล้วมันเยอะมากเลยในสังคมทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่ารับเข้ามาอย่ารับเข้ามามีคนเข้ามาตรวจโรงเรียนสัมมาศิกขาก็บอกว่าที่นี่ยังขาดสิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือควรจะมีเว็บเว็บไซต์เข้ามาในระบบของโรงเรียน ถ้าอาตมาอยู่อาตมาจะตอบว่ายังไมอ่อนุญาตเพราะว่าขนาดเนี้ยดูหนังดูละครทุกวันเนี่ยนานที่เรานี่ก็มีให้เด็กดูให้ผู้ใหญ่ดูแต่เราต้องตรวจทั้งนั้นเลยต้องตรวจเพราะว่ามันเลวร้ายมากจริงๆสิ่งที่เลวร้ายมันมากกว่าสิ่งที่ดีสมมติว่าหนังร้อยเรื่องอยา่นะอาตมาบอกได้เลยว่าเลวร้ายเนี่ยเก้าสิบกว่าเรื่อง หรือเรื่องที่จะดูได้เนี่ยที่พอจะเป็นไปได้เนี่ยเอา้ายังเก่งให้มากที่สุดในร้อยเรื่องเนี่ยมากที่สุดได้แั่ห้าเรื่องสิบเรื่องเนี่ยที่พอจะดูได้เพราะนอกนั้นแล้วโหด้ายทารุณมากๆโอโ้โหโกงกันตลกบ้าๆบอๆโป้เปือ่อยบางทีเนี่ยหนังก็เสพเมถุนโอโ้โหอะไรเลยนะฉายจงคลึ่มเลยในหนังออกมา แล้วมันก็มีในเว็บหมดเลยอะไรต่างๆพวกนี้คุณอยากจะรู้อะไรในโลกนี้คุณกดได้หมดเลยเว็บไซต์พวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะไอ้ไอสิ่งเลวร้ายเนี่ยคือมันมันมากกว่าแล้วก็ถามจริงๆค่ะสมมติว่ามีดีๆอยู่ในในนั้นอ่ะส่วนใหญ่จะกดดีๆดูหรือเปล่าก็กดบ้างเหมือนกันแต่มันกดดูน้อยไงยิ่งรู้ข่าวมาเฮ้ย นี่ น, นี่ตอนนี้เขามีอันนั้นมาแล้วนะโอ้โหอะไรอะดูได้โดยที่เยวกว่าในโรงหนังหรือว่าที่อื่นเขาไม่มีเลยนะเนี่ยมันเอาเข้าเว็บหมดเลยเดี๋ยวนี้เพราะฉนั้นโอ้โหจะได้ดูที่ไม่ต้องตรวจไม่ต้องผ่านอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันแย่มากๆเลยแล้วถามหน่อยเถอะบางทีเอาดูวิชาการดูความรู้กับดูเร็วๆไลน์เนี่ยจําอะไรแม่นก่บกัน บางทีเนี่ยเนี่ยทศเทศฟังธรรมะไปเนี่ยนะบางทีลืมนะแต่เพลงนี่จําแม่นเอเพลงมันไม่ได้สอนอะไรนะบางทีนะโอ้โหร้องได้ขึ้นใจเลยแต่ธรรมะเนี่ยบางทีอาทิตย์นี้มาฟังก็เรื่องนี้อาทิตย์หน้ามาฟังก็เรื่องนี้แต่ถามหน่อยลืมแล้วแม้ที่ธรรมะจาไม่ค่อยได้เลยหรือวิชาการเนี่ยบางคนเนี่ยไอ้ที่เรียนๆไปเนี่ยจําไม่ค่อยได้นะแต่โอ้โหดูหนังฟังเพลงอะไรอื่นๆนี่จําแม่น บางทีเนี่ยเรื่องผีสางเขาหลอกหลองเนี่ยจำแม่นนะเรื่องอะไรที่มันโอ้บา้บาบาบๆๆเร่ๆๆไล่แปลกประหลาดมหัศจรรย์พิสดารเกินมนุษย์มนาอะไรเขาก็มั่วๆเขาก็สร้างๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยจำแม่นพวกเนี้ยโหอยู่ในหัวสมองหมดเลยมันจะให้เห็นเลยว่าทำไมถึงที่นี่ต้องตรวจสอบก่อนแล้วทาไมต้องให้ผ่านก่อนถึงจะดูได้ แม้แต่เว็บไซต์เนี่ยไม่กล้าให้นักเรียนมาเล่นหรอกคือนักเรียนมาเล่ น, นตายแน่เลยแล้วก็ตัวอย่างมีเยอะแล้วเดี๋ยวเนี้แม้แต่จะค้ายามันก็ค้าทางเว็บโอ้โหภาพโป๊ๆอะไรเนี่ยมันไปได้มาจากไหนเนี่ยมันก็เอาเข้าเว็บเลยแล้วก็ส่งไปให้เดี๋ยวนี้มันติดต่อกันได้เลยนี่ทางเว็บนะแล้วก็เนี่ยผู้หญิงก็โดนหลอกไปเยอะแยะเลยเพราะไอ้เว็บเนี่ยแหละแล้วก็โดนหลอกไอ ซื้อขายก็ทางเว็บนี่เีกเหมือนกันเนี่ยเยอะแยะมากเลยเพราะนั้นไอ้ที่จะมาบอกว่ามันมีผลดีเยอะแยะก็ถูกผลดีก็ยอมรับอยู่แต่ผลเสียที่มันเกิดกับสังคมเนี่ยดูไปแล้วโอ้โหมันมากอะ่ะยิ่งกับเด็กนักเรียนซึ่งไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้เว็บก็ได้แค่หนังสือตำรับตำราแล้วครูบาอาจารย์สอนเนี่ยจาหมดเรยจายังไม่หมดเลย ทำไมกลัวเด็กจะไม่ทันสมัยต้องเล่นเว็บเลยเหรอไม่จำเป็นหรอกเพราะอั น, นเนี้ยเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคือคือจะเอาตามฝรั่งเอาแต่ความทันสมัยตามเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะมันไปไม่รอดวันสิ่งใหม่ใหม่หล า, ายอย่างที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรถึงบอกอย่าเอาเข้ามาคุณขืนเอาเข้ามาแล้วคราวนี้แหละ พอคุณเอาเข้ามามันก็จะสะสมอยู่ในตัวเราหรือสะสมอยู่ในจิตใจเราเห็นไหมวันขนาดของใหม่คุณไม่เอาเข้ามานะของเก่าที่คุณมีอยู่เนี่ยยังอีกต้องเยอะเนี่ยที่สะสมไว้แล้วตั้งเยอะมันหมกมันหมกเม็ดมันหมักหมมมันเน่าในอยู่ในจิตเราอุ้ยยังเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่เอาของใหม่เข้าของเก่าเนี่ยที่มีอยู่ ยังต้องเอาออกต้องกำจัดต้องเอาออกไปให้หมดเช่นอะไรของเก่าที่ชั่วร้ายยังแต่ก่อนเนี้ยอาตมาก็เหมือนกันนะติดเหมือนกันแหละดูหนังฟังเพลงนะบางทีเออไปเที่ยวเตะกับเพื่อนฟูง้งกินเหล้าสูบุรีสมัยก่อนมีทั้งนั้นนะ่ะไอ้ที่เราเราติดเราเคยเราเป็นแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเออเข้าใจธรรมะขึ้นมาเออรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนี่ สิ่งนี้เร็วๆไลไลก็เลิกลดออกล้างทิ้งออกแมาจําได้ที่เลิกอย่างแรกที่สุดเลยคือเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะมารู้แล้วบอกโอ้โหมันนั่งคิดก็จริงๆรอ่ะเออเราไม่ฆ่าเป็ดไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่าปลาปูกุ้งหอยอะไรเองแต่คนอื่นก็ต้องฆ่ามาให้เราก็เหมือนเราเนี่ต้องไปจ้างเขาฆ่ามาแล้วเราก็ไปซื้อจากเขามาทีอะไรอย่างเงี้ย มันั่งคิดเสร็จแล้วก็เอออย่างนี้มันก็ยะงผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่นะเออมันยังเป็นบาปกรรมนะก็เลยเลิกก่อนเลยอย่างแรกเลยเลิกกินเนื้อสัตว์ก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจเหตุผลว่าเราเลิกเพราะอะไรเพื่ออะไรเพราะเราก็ไม่อยากไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเขาชีวิตอื่นเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่มีน้องเหมือนกันแล้วเขารักชีวิตเขาไหม เขารักชีวิตเขาเขาก็ไม่อยากตายเวลาไปจับเขาทีเขาก็ดิ้นหนีทุรนทุรายเวลาไปฆ่าเขาเขาก็โอ้โหเจ็บปวดทรมานห้ยหวนเพราะฉนั้นพอคิดขึ้นมาแล้วโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆอก็เลิกเพราะันอย่างแรกเลยเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วก็เลิกพวกอบายามุกดาบุรีเที่ยวเตะอะไรเคยเคยมาเลิกหมดเลยเนี่ยอย่างแรกเลยพวกแรกๆที่เลิก พอเลิกแล้วก็สบายจริงๆเนี่ยวันของเก่าที่เรามีแต่มันไม่ได้หมดแค่นี้นะทุกวันนี้ยิ่งมาปฏิบัติธรรมมากเข้ามากเข้าโอ้โหมันยิ่งรู้ว่ า, อาโอ้ยไอ้ น, นี่เรายังไม่ดีนีย่ยังนี่ยังใช่ไม่ได้บางทีเนี่ยติดเหมือนกันสมัยก่อนมมาก็ชอบแฟชั่นนะชอบใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าราคาแพงอุ้ยชอบพอรู้ว่าเอ้ยอ น, นี่มันยังโลบยังติดสวยติดงาม แหมยังต้องไปเหอ่อตามแฟชั่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้เลิกเลยตอนหลังเลิกจากไปซื้อห้างไปซื้อราคาแพงๆเนี่ยต้องไปตัดโอ้โหผ้าอย่างดีนะตัดมาตัวตั้งเท่านั้นที้ดินมาสมัยก่อ น, นี่ที่บอกนี่มเลิกมายี่สิกว่าปีแล้วนะ <c oughs> ที่พูดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปตัดเสื้อผ้าตามร้านอ่ะมันมีน้อยนะมันมีไม่มากหรอกอืมแต่อาิมานี่ตัดไปตัดแต่พอเลิกเนี่ยก็คือ เลิกเลยไม่อยากไปเสียเงินไม่อยากไปฟุ้มเฟือยอย่างนั้นแหละไปซื้อเสื้อถูกๆโบเบใส่ไปซื้อเสื้อโบเบเใส่ตัวหนึ่งสิบกว่า บ, บาทเองสบายเลยรองเท้าเคยซื้อห้างโอ้โหราคาสมัยก่อนเนี่ยห้าสิบราคาร้อยหนึง่งนี่มันถือว่าแพงแล้วนะสมัยยี่สิบกว่าปีนะคุณคราวนี้ไปซื้อรองเท้ายาง รองเท้าแตะรองเท้าอะไรใส่ไม่งั้นไม่ยอมใส่รองเท้าแตะถือว่าแหมเสียเกรดเราหมดคราวนี้เออพอปฏิบัติทมเนี่ยมันเข้าใจแล้วเออก็ใส่เพื่อไม่ให้เท้ามันเจ็บใส่เพื่อไม่ให้อย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองก็ไปซื้อรองเท้าถูกๆใส่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยจากของเก่าที่เราติดเนี่ยเราก็ลดละทิ้งได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือข้อที่หนึ่งนะสัพพปาปะสะอกรนัง เนี่ยเราเลิกลดละบาปทั้งปวงเอาข้อข้อที่สองก็คืออทําความดีกุศลสูปะสัมปทาทํากุศลให้ถึงพร้อมวันอะไรที่เป็นกุศลก็มีสองอย่างเหมือนกันกุศลนี่มีอยู่สองอย่างวันกุศลอย่างใหม่ๆก่อนเอากุศลอย่างใหม่ๆที่เรายังไม่มียังไม่ได้นะรีบหาใส่ตัวซะอ่า ปกติไม่ค่อยเลยนะมาวัดเอามาหัดมาซะมากไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมเอาหัดมานี่เป็นกุศลไม่ค่อยได้ทาบุญทาทานเลยเอหัดใส่บาตรพระหัดบริจาคข้าวของเสื้อผ้าเงินทองให้คนนั้นให้คนนี้ให้คนอื่นเขาบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยหัดนะสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลยัง้ง้นกุศลใหม่ๆบางทีไม่เคยทํามาเลยอย่างเงี้ยหัดทําที่มันเป็นกุศลจริงๆนะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ เพราะอะไรที่เราทำผิดๆไม่เป็นกุศลอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ฟังเขาบอกวันมาคาบบูชาให้ไปซื้อปลาซื้อนกมาปล่อยก็บอกที่วัดมีเลยไอ้อไม่ใช่ที่วัดอะที่ตรงนั้นอะบริเวณนั้นอะมีเลยนะเขาจับมาเรียบร้อยเลยรอให้คนไปทำบุญใส่บาตรผ้าเสร็จก็มาซื้อนกซื้อปลาไปปล่อยเรียบร้อยเลยบอกอย่างนี้ไม่ใช่ะอย่างนี้ไม่ได้บุญนะไม่ได้กุศลนะ ถ้าจะไปซื้อนกซื้อปลาอย่างเงี้ยไปปล่อยอ่ะเพราะที่เขาซื้อเอ่อที่เขาเอามาไว้ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องไปทําไงมาก่อนเขาต้องไปจับมาเขาจับมาจากไหนไม่รู้แหละเที่ยวไปจับที่โน้นที่นี่มาเพราะนั้นจากนกที่มันอิสระนกที่มันเคยอยู่ธรรมชาติมันจะต้องโดนจับอันนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบาปนะ ไม่ใช่เป็นกุศลเพราะั้นดูนะเขาจับมาเพื่ออะไรคนนี้อา้าวมาขังกรงบ้างมาใส่อ่างไว้บ้างเนี่ยเพื่อให้คุณมาซื้อไปไปล่อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณซื้ออย่างเงี้ยเหมือนที่อาตมายกตัวอย่างว่าเราไปซื้ออาหารเนื้อสัตว์มากินเนี่ <c oughs> เหมือนกันนเะรไม่ได้แตกต่างกันหรอกถ้าคุณคิดดีๆนะถ้าคุณคิดเป็นนะคุณจะเห็นเลยว่าเอออย่างนี้เท่ากับว่า เราเนี่ยต้องเอาเงินไปจ้างเขาให้เขาเนี่ยไปจับนกจับปลามาเพื่อที่ให้เราไปปล่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจ้างให้เขาทำบาปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นปล่อยนกปล่อยปลาแบบนี้เป็นบาปไม่ได้เป็นบุญจะต้องชัดนะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะไปปล่อยนกปลยปลาแบบแบบที่ที่ให้เขาจับมาเพื่อที่จะมาขายเราแล้วให้เราปล่อย อันนี้ไม่ดีอย่าไปส่งเสริมเพราะถ้าเรายิ่งส่งเสริมเขาจะยิ่งจับมามากขึ้นจะยิ่งจับมาเยอะขึ้นแล้วสัตว์ก็จะต้องโดนเบียดเบียนหรือจะต้องตายมากขึ้นเพราะนนั้ถ้าอย่างนั้นเราอย่าไปทําถ้าเราไม่ทําเราไม่ซื้อนกซื้อปลาพวกนี้ไปปล่อยผลอะไรที่ตามมาฮะเนี่ยเขาจับมาเสร็จแล้วก็มาตั้งอยู่แถวแถวใกล้ๆวัดอย่างเงี้ยไม่มีคนซื้อเขาเลยผลอะไรที่ตามมา เออไม่รู้จะจับมาทำไมไม่มีคนซื้อถูกต้องไหมเหมือนหวยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนไปซื้อหวยเนี่ยเป็นยังไงหวยจะยเจงไหมหวยก็เจงใช่ไหมนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดนะเนี่ยเอันเนี้ยนนเข้าใจผิดกันมากเลยเราไปซื้อมายิ่งบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงนกเนี่ยนะ เขาจะใส่ยาให้นกกินเพื่อให้นกมันติดพอคุณปล่อยเสร็จนกมันจะบินกลับลังหรือกลับที่เขาเพราะว่านกมันติดยาจะต้องไปกินกลับไปกินที่ที่ลังเดิมมันนะไม่เพียงจะโดนจับนะยังทำให้นกติดยายโอ้เพราะฉะนั้นแล้วยาเหมือนอา้ายกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึง่งที่ เ, เขาบอกว่า พยายามอย่าให้เงินขอทานเพราะว่ามันมีแก๊งนะรถตู้หรือแก๊งอะไรก็แล้วแต่ที่จับเด็กหรือบางทีก็ไม่รู้่จะเด็กบางคนแก่บ้างอมันเป็นแก๊งเลยนะมันทํามาหากินกับการขอทานเพราะฉะนั้นจับมาได้เสร็จไอ้พวกนี้มันไม่ได้มาขอเองมันจับคนที่เขาจับมาเนี่ยแหละเด็กเนี่ยบางทีโดนเอามาตัดแขนหรือเอามาโดนทําร้ายเพื่อที่จะให้ดูน่าสงสาร เสร็จแล้วมันวางตามจุดเลยอ้าวเจ้าหมอนี่อยู่สภารอยนี้อ่าเจ้านั่นอยู่สภาลอยโน้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วพอตกเย็นก็อ่ากลับมาได้เงินเท่าไหร่เอามารวมที่ที่เจ้าหัวหน้าแกงนี่อย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้บุญให้ทานกับขอทานที่ไม่ใช่ขอทานตัวจริงที่จริงอันนี้ขอทานตัวปลอม นะเพราะว่าโดนจับมาเขาไม่จะอยากขอทานเลยแต่เขโดนจับมาโดนทำร้ายนะโดนข่มขู่โดนแกล้งโดนอะไรต่างๆ่ากันนะเพราะถ้าเราไปส่งเสริมอย่างนี้พวกแก๊งนี่มันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะยิ่งจับคนมากขึ้นจับเด็กมากขึ้นเพราะั้นอย่าไปให้ขอทานแบบนี้ตรงนี้ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนถ้าถ้าเราไม่รู้อันนี้นะเราไปทาบุญเราก็คิดว่าเราได้บุญแล้ว เราก็ให้ไปให้ไปให้ไปโอ้โหที่ไหนได้เราไปส่งเสริมให้แก๊งพวกนี้มันสร้างบาปสร้างเวรมากขึ้นเมาเหร อ, อระวังออย่าเจอกับตัวเราเองก็แล้วกันมาเจอกับลูกหลานเจอกับตัวเราเองแล้วคราวนี้เราจะรู้สึก ว, ว่าโอ้โหเราไม่น่าพาท่าเสียทีเลยวันทาบุญเนี่ยจะ ต, ต้องมีสติปัญญาด้วยทาบุญงโง่โงไม่ได้บุญนะทาบุญที่ไม่ชราดทาบุญที่มันผิด ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้บุญหรอกมันทำบุญแล้วต้องให้ได้บุญจริงๆนะอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังเอาเพราะฉะนั้นกุศลข้อที่บอกเนี่ยนะกุศลทั้งปวงเนี่ยเราก็พยายามทำของใหม่อะไรที่เรายังไม่เคยทำอย่างเช่นเอายกตัวอย่างใกล้ตัวบ้างอย่างเช่นบางคนเนี่ยปกติแล้วก็โกรธโมโหง่าย ตอนนี้เอาแล้วจะหัดสร้างกุศลอันนี้บุญสูงกว่าวัตถุทานอย่างนะเออเราจะหัดเลิกขี้โกรธถ้าโกรธใครเสียงดังหน้าแดงอะไรกับใครจะหัดขอโทษคนนั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหัดเลยคุณกล้าคุณหัดทําอย่างนี้ได้โอ้โหบุญมากกว่าทําบุญใส่บาตรพระสิเพราะทําบุญใส่บาตรพระนี่ยังแค่วัตถุทานนะแต่คุณเลิกโกรธใคร เขาเรียกว่าอาภัยทานอันนี้เป็นบุญที่สูงขึ้นมาเป็นบุญขั้นที่สองเลยอ่าหัดใจเย็นได้แม้ใครมาโกรธเราเนี่ยอุตส่ากัดฟัง น, นะไม่ไปทะเลาะกับเขาไม่ไปด่ากับเขาไม่ไปเกลียดชังเขาแม้ว่าจะกัดฟังอยู่ก็ตามนะคุณก็ยังได้บุญนะอย่างเนี้ยเอออย่างน้อยๆกายกรรมวจีกรรมก็ได้แล้วสองบุญแล้วใจอาจจะกำลังสู้อยู่ก็ตาม แต่คุณก็ได้บุญได้กุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยวันเนี่ยนะหรือใครบางทีอะไรอะที่หลับที่นอนแหมต้องนอนฟูกต้องนอนอุมหนุ่ ม, มต้องนอนสบายสบายอยู่เรื่อยเลยหัดซี่หัดนอนพื้นแข็งแข็งบ้างหัดนอนเสือนอนกระดานดูบ้างอันนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะเนี่ยเป็นบุญที่อยู่ในอภัยทานพวกนี้เป็นบุญขั้นสูง เป็นบุญที่พรุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งกว่ามีเงินเนี่ยเป็นร้อยๆ ล, ล้านเนี่ยมาสร้างวัดทั้งวัดให้พระอยู่ซะอีกเพราะอภัยทานนี่มันทํายากกว่าเนี่ยบุญอย่างเนี้ทํายากกว่าเพราะกุศลหลายอย่างที่บางทีเนี่ยแปลกใหม่แล้วเราไม่เคยทําก็เอาหาทําเข้ามาเขาเรียกว่าสั่งสมเป็นบา ร, รมีเอาไว้ให้กับตัวเรา วันหลังจะได้มีโชคมีวาสนาบารมีต่อๆไปเนี่ยบุญใหม่เอาใส่เข้ามาเสร้ว บ, บุญเก่าล่ะคือความดีที่เรามีอยู่รักษาเอาไว้บางคนมาวัดครั้งเดียวบายบายลาก่อน <c oughs> แม่อุตส่ามานะมาครั้งเดียวเลิกกันเลยความดีอะไรที่เราเออจริงๆเราก็ทำได้แล้วเราก็ทำดีได้ด้วยทำต่อๆไปก็ทำได้ แต่ไม่ยอมรักษาไว้เนี่ยไม่ยอมทำดีต่อต่อไปอย่างนี้กุศลอันนั้นก็จะหมดไปอใช่ไหมมันใช้ไปใช้ไปมันก็หมดหสิเขาเรียกว่ากินบุญเก่ามันจะหมดไปไดเรื่อยๆอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะให้บุญเก่าคุณหมดได้ยังไงนะบุญใหม่ใส่เข้ามาใช่ไหมเสร็จแล้วบุญเก่าที่มีอยู่อะ่ะก็โดยที่พอบุญใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องรู้จักใช้บุญเก่าอย่างประหยัดสิ คุณใช้ไม่เป็นนี่บุญเก่าหมดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยไอ้บุญใหม่มาไม่ทันเนะี่ยมาไม่ทันบุญเก่าคุณบุญเก่าคุณหมดซะก่อนเสร็จเลยครั้นี้พอครั้นี้เจออุบัติเหตุเจอเวรเจอภัยอะไรเข้ามามีอะไรคุ้มครองมีอะไรช่วยเหลือคุณแหละในโลกเนี้ยตำรวจก็คุ้มครองคุณไม่ได้ อ, อข้าราชการพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์อะไรคุ้มครองคุณไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะ มีอย่างเดียวพระเจ้าท่านตรัสไว้เลยมีอย่างเดียวที่คุ้มครองคนนั้นได้คือบุญมีอย่างเดียวยิ่งถ้าพูดถึงความตายเนี่ยใครอาจจะมาคุ้มครองคุณไม่ให้ตายถ้า ถ, ถึงที่ตายแล้วเนี่ยไม่มีแต่ถ้าคุณมีบุญนะคุณสะสมบุญไว้จริงคุณสะสมบุญไม่มากพออายุดอายุได้นะต่ออายุได้ทาวีซ่าได้ถ้าคุณมีบุญมากพอ หรืออุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรจะเกิดกับคุณถ้าคุณมีบุญมากพอโทษหนักเป็นเบาเออลดลงได้บรรเทาลงได้มีบุญเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยคุณได้วันทึงบอกว่าเนี่ยสะสมเอาไว้แล้วบุญเก่าก็จะต้องรู้จักใช้ใช้ให้มันดีใช้ให้มันเป็นไม่เ่ไม่ใช่เที่ยวและกี่บอกเที่ยวขอสุลุ่ยสุล่ายทอะไรทาอะไรก็ขออยู่นั่นเนะี่ยไม่มีฟรีนะในโลกนี้ ที่คุณนึกว่าคุณได้โชคคาลาบคุณได้แหมอะไรมาโอ้โหดวงดีจังเลยแหมทําไมวันนี้ค้าขายได้ดิบได้ดีจังเออหรือว่าโอ้โหบุญหล่นทับนะแหมวันนี้มีคนเอาเข้าของเอายศตําแหน่งเอาอะไรมาให้คุณอย่านึกว่าอยู่ดีดคุณได้มาฟรีฟรีไม่มีอะนั่นนะ่ะต้องได้เพราะบุญเพราะกุศลของคุณที่ทำไว้ทั้งนั้นคุณถึงจะได้มานะคนไม่ทําก็ไม่ได้ด้วย ไม่อย่างนั้นทุกคนก็ต้องได้เหมือนกันหมดสิแล้วถ้าจะขอเอาก็ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอคุณทําบุญปุ๊บคุณก็ขอเลยถ้าขอได้เนี่ยถามหน่อยจะมีคนขี้เละไหมในโลกนี้ทุกคนก็อยากหล่ออยากสวยหมดแหละพอทําบุญเสร็จก็ขอให้หล่อขอให้สวยขอให้ล่อขอให้สวยมันจะไม่มีใครขี้เละอ่าจะมีคนโจนไหมในโลกนี้ไม่มีเพราะพอทําบุญเสร็จก็ขอให้ร่ํารวย จะมีคนก็โง่ไหมไม่มีอะต้องมีคนฉลาดหมดพะทำบุญเสร็จก็ขอขอให้ฉลาดขอให้ฉลาดเห็นไหมวันคุณทำบุญแล้วคุณขออย่างนั้นคุณขอไม่ได้นะมันมันต้องได้ตามบุญของคุณที่คุณมีบางคนเนี่ยบางเอิญบางเอิญไอ้ที่ขอเนี่ยบุญของตัวเองมันมีอยู่แล้วอะแล้วมันก็มาแล้วถึงคิวมาแล้วมันมาแล้วบุญอันนี้จะมาสนองเราแล้ว เพราะฉะนั้นบางเออบางเอิญขอไว้ตรงเงินเป๊ะเลยก็เลยได้ตรงเงินพอดีก็เลยนึกว่าขอเอาแล้วได้ <c oughs> บางคนเลยนึกว่าขอเอาแล้วได้มีตัวอย่างเ่ยมีดาราจากต่างประเทศรู้สึกจะฮ่องกงหรือไง <c oughs> เขาเขาโอ้โหได้ข่าวว่าสารประภูมิที่เอราวันใช่ไ้มดังมากเลยที่โรงแรมเอราวันน่ยดังมาก บอกใครขออะไรแล้วก็ได้ไม่จริงหรอกถ้าจริงกันตมาบอกว่าสอสอทุกคนมันได้หมดแหละมันไม่ขอสิมันก็ต้องได้เป็นสอสอหมดออวันแต่นี้แต่เขาเชื่ออย่างกันใช่ไหมเขาก็เลยบินมาขอที่นี่มาขอเสร็จอะ้วเขาจะทำบนบานอะไรก็แล้วแต่เขาอะเสร็จแล้วก็ก็บินกลับไปเขาขออะไรรู้ไหมเขาขอให้ได้ลูก บอกว่าบินกลับไปเสร็จเออไม่ใช่ไม่นานเขาก็ได้ลูกโอโ้ก็เลยเชื่อที่ว่าตรงกันอย่างเงี้ยจริงๆมันจะได้อยู่แล้วถึงไม่มองขอก็เหอะก็จะต้องได้ส่วนคนไม่มีลูกเนี่ยข อ, อยังไงมันก็ไม่ได้เอา้าศาสนาพูดถึงเป็นศาสนาที่เป็นไปตามบุญตามกรรมคือไปตามความดีและความชั่วที่แต่ละคนสะสมมาใครทาไว้ยังไง ได้อย่างนั้นตามสัจจะตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่สองที่ฝากเอาไว้ว่าให้เราทำกุศลเนี่ยของใหม่หัดทำเพิ่มขึ้นเอาทำใส่เข้ามานะของเก่าพยายามรักษาเอาไว้อะไรที่เราทำดีได้แล้วบางคนเนี่ยนะรู้จักกินรู้จักใช้รู้จกกัจก มาวาดัดมาฟังเทศฟังธรรมรู้จักทำบุญไสาบาตรรู้จักเสียสละดีๆที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราทำดีได้อยู่แล้วพยายามทำไปให้สม่ำเสมอทำไปให้ได้เรื่อยๆทำไปให้ตลอดชีวิตเราอ่านั่นคือข้อที่สองส่วนข้อที่สามคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะสะจิตะปริโยทั ป, ปนังชำระ จ, จิตของตนให้ผ่องแผ้ว ข้อที่สามเนี่ยจริงๆถ้าจะพูดไปแล้วก็มาจากข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าถ้าคุณเข้าใจอย่างที่อาจมาบอกนะคุณเลิกบาปทั้งปวนใช่ไหมคุณทําแต่ดีสองอย่างเนี่ยคุณพยายามทาทำทำโดยให้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจใช่ไหมคุณต้องทําให้ครบพร้อมอะ่ะเพราะถ้าคุณทําเป็นผลสําเร็จขึ้นมาเนี่ยคุณทําให้เกิดผลเพราะฉะนนั้ผลมันก็จะมาออกข้อที่สามนี่เพราะว่า เราทำไปเพื่อบอกแล้วเพื่อลดกิเลสเราเพื่อละความโลภความโกรธความหลงของเราพั้นสองข้อที่เราทำละบาปทั้งปวงทำแต่ดีเนี่ยทำแล้วผลที่ออกมาก็คือเราจะได้จิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสพั้นข้อที่สามนี่เป็นผลยิ่งพอจิตบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นไหมเราก็จะยิ่งแบบว่าโอ้โหยิ่งไม่ทำชั่วมากยิ่งขึ้นอีกแล้วก็ยิ่งทาดีมากยิ่งขึ้นอีก อันนี้แหละเพราะจิตเราเนี่ยก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจเราก็ยิ่งเป็นคนที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะเพราะนั้นอันนี้นะ่เป็นข้อสำคัญข้อที่นะ่เป็นหนึ่งข้อในวันมาคะบูชาเัราะันนี้นะก็หวังว่าพวกเรานะก็ได้บุญได้กุศลนะได้มาวัดได้มาใส่บาตรได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเดี๋ยวก็นะได้มา รับประทานอาหารบุญร่วมกันเสร็จแล้วช่วงทานอาหารจะมีสารคดีหนังเรื่องดึงเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าเป็นพวกฝรั่งชาวตะวันตกเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพุทธเจ้านะเขาก็ทำสารคดีขึ้นมาก็มีแง่คิดดีๆอยู่หลายแง่ยอยู่เหมือนกันนะเราลองดูแล้วกันฝรั่งเขาก็มีอะไรดีๆไอ้ที่ดีๆเราเอาทั้งนั้นเนี่ย ไม่ว่าพูดคิดอิสลามอะไรอะ่ะดีๆเนะ่เราเอาทั้งนั้นะนะเพราะว่าดีทั้งปวงเราเอาไงใช่ไหมแต่ถ้าชั่วทั้งปวงเนี่ยบาปทั้งปวงไม่ว่าจะของอะไรก็แล้วแต่ของชาติไหนของศาสนาไหนราษฎรไหนถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอ า, อางั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเอามากระทาตามไม่ควรมาประพฤตินะถ้าเราเข้าใจโอ ว, ว่าพระปฏิโมกอั น, นี้ได ชีวิตเราก็จเจริญขึ้นแล้วก็เป็นสุขร่มเย็นขึ้นจะช่วยทั้งตนแล้วก็ผู้อื่นได้มากขึ้นอ่ะวันนี้คงยุติไวเพียงเท่านี้